อยากกลัวตายร้ายแต่ขอให้กลัวจะอยู่อย่างไม่ได้เตรียมตัวไปดีก็แล้วกันเห็นคนตายก็หมายรู้เดี๋ยวกูด้วยอีกไม่ช้าชาราป่วยแล้วมวยศูนย์ศพวางนอนอย่างขอนไม้คล้ายอิดปูนรอขึ้นเผาให้เอาศูนย์มานับกาย เหลือเพียงชื่อให้ลือจําทำไมเล่าเขาก็รอขอขึ้นเขียงเรียงจากหายเหมือนกับเราเฝ้าจดจําแล้วกลับตายชื่อก็วายกายก็วางว่างหมดกันจากหนังสือทางนฤรุพานตายอย่างรู้อยู่อย่างเห็น คนบางคนเกิดมาเพื่อสารวนวุ่นกับการเพ่งดูว่าใครดีใครไม่ดีสุดท้ายเขาก็ตายเปล่าโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองดีหรือไม่ดีคนบางคนเกิดมาเพื่อสาลวนวุ่นกับการกำจัดจุดบอดของตนเองเสริมจุดแข็งให้แกร่งขึ้นหาจุดยืนดีๆที่ยังไปไม่ถึง สุดท้ายเขาไม่ตายเปล่าเขาย่อมฝากประโยชน์ใหญ่ไว้ในโลกนี้จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีคนบางคนเกิดมาเพื่อคิดในเรื่องไม่ควรคิดเห็นทั้งชีวิตเป็นปัญหาไม่มองว่าปัญหาอยู่ที่วิธีคิดเพียงเลิกคิดแล้วลงมือจัดการเขาจะพบพานชีวิตใหม่ แทบไม่เหลือปัญหาหน้าหนักใจเพราะมีแต่งานใหญ่น้อยเพื่อสนุกกับงานหายเบื่อกับความว่างงานเลิกแช่อยู่กับความว้าวุ่นเปล่าคนบางคนเกิดมาเพื่อคิดถึงแต่ตัวเองเห็นวันเวลาและทุกสิ่งที่ตนมีตลอดจนสิ่งที่ตนไม่มีเป็นของสมควรได้แก่ตนพอนานไป เขาย่อมมีสง่าราศีน้อยกว่าคนเก็บขยะเพราะคนเก็บขยะยังรู้วิธีทิ้งแต่สิ่งเดียวที่เขารู้คือวิธีเก็บคนบางคนเกิดมาเพื่อคิดถึงคนอื่นเห็นวันเวลาและหลายสิ่งที่ตนมีตลอดจนสิ่งที่ตนยังไม่มีควรค่าแก่การเจือจานพอนานไปเขาอาจมีสง่าราศีกว่าเศรษฐีใหญ่ เพราะเศรษฐีใหญ่อาจไม่รู้ว่าทรัพย์ของตนมีประโยชน์ปานไหนในขณะที่เขารู้จากใบหน้าเปื้อนยิ้มรอบทิศคนบางคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้จบไปอีกครั้งไม่รู้ว่านี่เป็นครั้งไหนจะครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายไม่นำพาไม่รู้จะหาประโยชน์อันใดไม่ทราบจะเชื่อคำตอบใครดีคนบางคน เกิดมาเพื่อค้นหาเหตุผลของการเกิดเกินทนกับการไม่รู้เกินตาหลับไปกับการตายที่ไม่ได้คำตอบเกินทำใจชอบกับการเป็นหน้าโง่เกิดใหม่เกินยินดีรับกับการเหนื่อยซ้ำที่ศูนย์เปล่าคนบางคนเกิดมาเพื่อเจอคำตอบที่ผิดโจทย์ชีวิตก็ยิ่งซับซ้อนแทนการเห็นโลกตามจริง เขากลับเห็นบิดเบี้ยวกว่าเดิมแทนการแก้ปัญหาตรงจุดเขากลับผูกปมใหม่ขึ้นมาซ้อนแทนการพลิทยากให้เป็นง่ายเขากลับผันง่ายให้เป็นยากคนบางคนเกิดมาเพื่อพบคำตอบที่ถูกโจทยชีวิตจะง่ายลงหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้มีให้ดูเพียงใดมีให้รับเท่าไหร่ มีให้สละแค่ไหนก็ให้เป็นไปตามนั้นไม่ถือสิ่งใดให้หนักมือเรียบง่ายเหมือนเดินทางเท้าเปล่าโดยปราศจากพิธีรีตองไปจนถึงปลายทางโดยปราศจากตัวตนติดค้างจากหนังสือคิดจากความว่างสาม